เป็นปัจจุบันผิดแล้วรู้ผิดแล้วรู้หลงแล้วรู้นี่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติเมื่อมันเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆได้แก้บ่อยๆได้ทําบ่อยๆในสิ่งที่มันไม่เคยได้ทําในสิ่งที่มันมีกิ่งมันก็จะต้องแสดงให้เราเห็นมันไม่สงบ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 เราก็มีสติสิ่งเหล่านี้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติไม่ใช่ความรู้สึกตัวนั่นมันก็เราทำให้มันเลียบไปมันมันสุขเห็นมันสุขรู้สึกตัวมันเลียบไปแล้วมันทุกข์เห็นมันทุกข์รู้สึกตัวเลียบไปแล้วไปไปติดสุขไปติดทุกข์ไปติดหลงไปติดรู้มันโคลงคะอยู่อิเวติโคลงคะ อมันเห็นเหรอมันเรียบรูดศึกตัวไปมันสุกรูดศึกตัวไปมันทตกก็รูดศึกตัวไปมันหลงมันลูดมันอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่รูดศึกตัวไปนะแต่ว่าสร้างทางสร้างทางให้มันเรียบกุขคลทีใดทําให้มันเรียบมันจึงเป็นการสร้างมันจึงจะเป็นทางให้แต่ยังทุลกทุเรยอยู่มันไม่ใช่ทาง แล้การเดินทางที่มันขรุขระมันไม่สะดวกมันมีการเสียเวลาและเสียพลังงานเห็นความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงความไม่ตกกวงวลเศร้าหมองอมันไปเอาเสียงเหล่านี้มาเป็นการกระทบกระเทอือนมันเสียพลังงานเหมือนกันขับรถในทางขรุขระมันก็เสียก็โศมชีวิตของเราต้องสร้างให้มันเรียบ จะให้มันกระทบกระทือนตัวรู้สึกตัวแนละ้วมันเรียบอะไรที่มันเกิดขึ้นรู้สึกตัวเนะี่ยเรียกว่าได้ทางเป็นอรียมรรคโดยเฉพาะทางเดินของชีวิตเนี่ยทำให้เรียบได้ในทุกพื้นที่ทางเดินของร่างกายมันทุกพื้นที่อาจจะเรียบได้เพราะมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยหลายอย่าง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 มันสุขก็รูได้มันยินดียินไล่มันวิตกกังวลรู้ได้ทําแล้วมันวิตกกังวลทําให้ผ่ารู้สึกตัวมันทําความวิตกกังวลให้เรียบลงแล้วบันทีทันได้แล้วได้ทําอย่างนี้มันก็เกิดการกระทําหรือว่ามันเป็นกรรมจริงๆทํากับมือเราจริงๆนี่เรียก ว, ว่ามักแต่ถ้าบางทีเขาก็ไปทางไม่ต้องทําขี้เกียจที่ค้านไม่รู้ไม่ชี้ สงบอย่นั้นแหละความสงบอย่านั้นเรียกว่าขี้เกลียดติดสงบติดหลับตานั่งอยู่หลังขี้เกลียดไม่ได้ทํางานทําการเวลาออกแก่ความสงบยังครุขาอยู่เพราะไม่เคยได้ทําเลยไม่เคยได้ทําก็ยังอ่อนแอยิ่งอ่อนแอไปกว่าเก่าก็ไปติดความสงบวิธีที่ทําให้เกิดความสงบมันก็กลอมไปเลย บริกรรมเข้าไปหลับตาเข้าไปนั่งเน่งๆน่งเข้าไปหามุมสงบเข้าไปที่ก็มีครูอาจารย์กล่อมเข้าไปดูไปดูไปให้สงบให้เน่งนะให้นิ่งนะก็ยิ่งนิ่งเข้าไปมีอันที่จะกล่อมให้เกิดความนิ่งบริกรรมเกสินอะไรต่างๆเพ่งเข้าไปในมิตเข้าไปข้างนอก วาดในมิบขึ้นมาลูกแกวสีให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการสีกลมๆเป็นวงหลายๆวงติดตาแบบตาลื่นตายังเป็นวงยังเป็นกลมอยู่ติดเข้าไปกลอมเข้าไปสงบเข้าไปอันนั้นเลยว่าขี้เรียดขี้คล้าน แลังออกจากความสงบอาการแบบนั้นแล้วยิ่งอ่อนแอเพราะนั่นกับชีวิตของคนบางคนความสะดวกสบายที่เกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างที่ไม่เกิดจากเราทําให้ชีวิตก่อนแอแต่ชีวิตบางคนอยากลําบากจะต้องทําเอาเองอยู่ให้ชินเอาเองช่วยตัวเองจะกลายเป็นความเข้มแข็งไม่กลัว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 ลูกปรทมจริงๆมือวางไหวพนเขาก็วางไหวจริงจงแต่แคงมือตั้งไหวก็ตแต่แคงจริงๆยกมือขึ้นก็กิริยาที่ยกออาเคลื่อนไหวไปมาก็ลูกจริงๆในมันกวนๆใช่ไหมปวดขาปวดแขนปวดหลงังปวดเดว็วปวดไหล่ตาก็ไม่ต้องหลับหลายอย่างที่เราเจริญสติสิ่งที่ทำให้เกิดความหลงก็มีหลายอย่างเพราะเราไม่กล่อม เราเห็นความงงเขาหนอนความเบื่อความปวดความเมื่อยอะไรต่างๆเรารู้เรารู้สึกตัวทางกายทางใจไปพร้อมๆกันทางรูปทางนามไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเห็นเวทนาทำเวทนาเกี่ยวกับเวทนาเวทนาไม่ขวงกันเห็นจิตจิตก็ไม่ขวงกัน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 ความสุขก็ทําให้เกิดปัญญาความทุกข์ก็ทําให้เกิดปัญญาเกเรตนะฮะความโกรธโลภล้มทำให้เกิดปัญญามันก็พูดก่อนก่อนก่อนอันเก่าอันเก่ามมันเห็นดันเก่าผ่านหน้าผ่านตาอยู่เสมอมันก็เกิดปัญญารู้แจ้งแค่นั้นเองแค่นั้นเองรู้แจ้งเรียบลเลยปะนะปวดขาตรงไหนก็เรียบตรงนั้น ข้ามล่วงตรงนั้นการข้ามร่วงการทําเสียงเทมันโฟก้าให้มันเรียบนั่นเรียกว่าปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติอย่าทอดถอยอย่าไปโอยบางคนเอาหลังเอาแขนมาอ้างว่าปวดหลังปวดเอวบางคนก็เอาลูกเอาล้านมาอ้างว่ายุ่งยากเอาความยากเอาความง่ายทําอะไรลงไปง่ายไหม ถ้าง่ายก็เออดีถ้ายากก็ไม่สู่มันยังขรกขระแแต่ความง่ายก็ขรกขระความยากก็ขรกขระพ็ทําอะไรลงไปเนี่ยเอาความคิดทําตามความคิดถ้ายากก็เป็นความคิดถ้าง่ายก็เป็นความคิดถ้า ได้ก็เป็นความคิดถ้าไม่ได้ก็เป็นความคิดถ้าผิดก็เป็นความคิดถ้าถูกก็เป็นความคิดถ้ารู้ก็เป็นความคิดถ้าไม่รู้ก็เป็นความคิดือว่ามันไม่ใช่ของจริงหรอกแบบนั้นเอาไปมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ความคิดเลยมันเกิดจากการกระทําเกิดจากการกระทํากลายมาเป็นปัญญาทั้งหมดง่ายก็เป็นปัญญายากก็เป็นปัญญาผิดก็เป็นปัญญาถูกก็เป็นปัญญา เพามันลู่ไปลู่ไปโลู่ไปความคิดอาจจะยากกว่าการกระทําบางอย่างการกระทําอาจจะยากกว่าความคิดโดยพอภาคปฏิบัติการกระทำในง่ายกว่าความคิดเห็นความโกรธลู่สึกตัวแต่มันง่ายกว่าความคิดบางทีเราไปคิดว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้พอทําทลงไปจริงๆมันทําได้ความโกรธความโลภ ค, ความหลงกิเลสตัณ ห, า, 1500, ห า, 108, ากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดยากเดือกความคิด พอเรามาทำลงไปมันก็ไม่มีอะไรไม่เห็นมีอะไรพอเรามองโพเขาพอไปถึงหลังเขาเรามันก็ไม่มีอะไรมันไม่ใช่เอาความคิดมาเป็นการตอบเอาเหตุเอาผลผ่าปฏิบัติมันก็แค่นี่เลยแหละมันก็มีแต่สติเท่านั้นสุดที่สุดก็มีแต่สติเท่านั้นมันมีความสะดวก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 เราทำตามความคิดไม่อยากทำอะไรอยากทำแบบนี้อยากทำแบบนี้มันก็เลยยากกับความคิดแต่เมื่อทำลงไปมันไม่ได้ยากเหมกับความคิดเอาความคิดมายุ่งเกินไปไในภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติไปต้องไปเอาความคิดมายุ่งไปต้องไปเอาเหตุเอาผลมายุ่งยากเอาผู้เอาคนตัวตนบคนุคคลอสสถานที่ไหนก็ตามรู้จักตัวได้ทั้งนั้นรู้สึกตัวได้ทั้งนั้ น, น, นเอาภายนอกมาเป็น วัตถุที่รู้สึกตัวเอาภายในมาเป็นความรู้สึกตัวเคลื่อนไหวมาเป็นความรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวไปนอกเสียงแวดล้อมรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้แล้วลุยไปอย่างนี้ปฏิบัติทำรุยลุยไปสักน้อยมีสิ่งที่ทําให้เราลุยข้ามล่วงไปมันก็แจกร้ามก็เจงขึ้นมาเอาไปเอามา มันที่เราเชื่อว่ามันยากก็หายไปไหนก็ไม่รู้เช่นความโกรธควาโลกความห ล, ลงหายไปเมื่ อ, อไรไม่รู้อพอมีสติแล้วคิดถ้าก็จะไม่เห็นนันแล้เวลาเราปฏิบัติจริงจริงยิ่งมาได้หลักได้ฐานพบสูตรเป็นสูตรสูตรของรูปสูตรของนามอได้หลักสูตรของรูปได้หลักสูตรของนาม รูปหมดรูปครบรูปท่วนไม่มีอะไรมันก็เป็นรูปเป็นนามความโกรธความโลภความหลงผวมเลอความชังความเิตนตกขวงมวุ่ิเลสตัณหาไม่มีทีตต่ตั้งจะตั้งไ้ตรงไหนก็ไม่มีให้ตัง้งมันเป็นรูปมันเป็นนามมันเป็นด า, ารามันเป็นธรรมชาติจินเราสุปุหรีมันหายไปไหนก็ไม่รู้ผมทุกขท่องปวงมันหายไปไหนก็ไม่รู้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 ความถูกต้องไม่แล้วมันไม่รู้เรื่องความโกรธความโลภความหลงมอนกับคอมพิวเตอร์มอนกับเครื่องมือการทำงานเราไปกดเอาเงินในตู้เขาก็บอกว่าไปรู้เรื่องกาไม่ให้เพราะมันไม่ถูกต้องมันเถื่อนความโกรธความโลภความหลงความอะไรต่างๆมันเถื่อนมันไม่ชอบเมื่อเรา พบเห็นเมื่อเราสร้างไปสร้างไปรู้ ส, สึกตัวไปรู้สึกตัวไปของหน้าของหลังก็เรียบไปปัจจุบันเรียบไปอดีตก็เรียบไปอนาคตก็เรียบไปเพรามันสมบูรณ์ว่าปฏิบัติชีวิตเป็นๆ เ, เอารูปเอานา้ำเอากายเอาใจมาสร้างความผิดความถูกกอะไรปัญหาต่างๆเกิดที่รูปที่น้ำเกิดที่กายที่ใจเห็น แล้วเห็นดีมันก็โชว์ให้เห็นอยู่เรื่อยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเสียงเรานั่นอยู่เรื่อยไปอย่างนี้ปฏิบัติทํากันเรียบไปเลยพาให้เรียบพอความรู้สึกตัวพอให้เรียบมันหลงก็ลู่มันลู่ก็ลู่นะมันก็เรียบไปยังไงยินดียินไล่มันก็ลู่นะมันเรียบไปแล้วโกดโลภหลงก็เรียบไปแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติสติทําให้เรียบ ไม่ใช่ไปเบนไปทางอื่นเรามีสติคู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาปฏิบัตินั่นเรียกว่าปฏิบัติพบเห็นกับสิ่งต่างๆในเวลาปฏิบัติมีสติเข้าไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราวไม่ปฏิเสธไม่กบเกลื่อนมีปัญหามก็มีปัญญาไม่โกรกเกลื่อนให้มันหลงหลงไปให้มันทุกข์ลงไป ใอ้มันวิตกกังวลลงไปใอ้มันมีโครคภัยไข้เจ็บลงไปไอ้ปัญหาลงไปสุขภาพอะไรลงไปอเอาเลยมันจะเป็นอะไรรู้สึกตัวไปก่อนรู้สึกตัวไปก่อนมาทางนี่เข้าทางเสงก่อนอย่าออกทางมาเข้าทางกิริยาก็มียกมือเคลื่อนไหวไปมามันมีอยู่ผมรู้สึกตัวขนาดที่ยกมือมันเป็นจบืันมันก็ทำได้อยู่ มาทางนี้ก่อนไปทางนี้ก่อนหัดเดินทางนี้ก่อนหัดนิสัยหัดปัจจัยเคยเคยรู้หลงตรงไหนเคยรู้ผิดตรงไหนเคยรู้ทุกตรงไหนเคยรู้สุขตรงไหนเคยรู้อะไรต่างๆทั้งที่มันเกิดขึ้นน่มันก็เคยรู้เคยรู้มันก็มาทางนี้แหละวะแต่ก่อนผิดตรงไหนเคยหลงถูกตรงไหนเคยหลงทุกตรงไหนเคยหลง ไปร่วมมือกับสิ่งต่างๆไปเนี่มาลู่มาลู่เนี่ยเดี๋ว่าปฏิบัติปฏิบัติคือทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยากไม่ต้องไปเข็นไปขนอะไรลู่สึกตัวเนี่ยมันสะดวกสะดวกโกรธหลงสะดวกโกรธสุขสะดวกโกรธทุกข์สุขทุกข์หลงยิน ด, ดีเย็นไล่มันลําบากนะสัมผัส ด, ดูแล้วมันลําบากมันเจ็บมันปวดแต่ลู่สึกตัวเนี่ยมันหายหายโลกนะ หลงตง <000. S 1> ล้องน้อยรู้สึ <000. S 1> กตัวโกรธต้องน้อยรู้สึ Knight, กตัวทุกต้องน้ยรู้สึกตัวมันหายทำไมหายไปไม่ปฏิบัติทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ให้มันเป็นทําให้มันเป็นเไม่ใช่ความรู้นะทําให้มันเป็นมันหลงหรือรู้สึกตัวไยทําเป็นไ้ยมันโกรธหรืรู้สึกตัวทําเป็นไว้มันโลภมันหลงมันรักมันชังมันวตกกังวลเศมองรู้สึกตัวทําให้มันเป็นตรงนี้ถ้าไม่ทําตรงนี้มันก็ ไปไม่ถึงไหนยังจำเบ้าหยุดที่เดิมหลงก็ใหญ่โตทุกก็ใหญ่โตห้องอยู่ตรงนั้นติ้นหยุดตรงนั้นรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปสีรษะชามาละรู้สึกตัวสร้างจังหวะไปก่อนอ๋อสิบสี่จังหวะเอาไปก่อนสําดับไปก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไปเหมือนกัเราทํางานเหมืก็เราตื่นขึ้นมาก่อไปหุงข้าวหนึ่ง ก่อไฟสองนใ ม, สมสใส่หม้อนึ่งสาสาวข้าวใส่หมวดตะยกมอยใส่หม้อนึ่งมันมีจังหวะไปจึงจะเป็นการนึ่งข้าวหุงข้าวมันจึงจะได้กินไม่ใช่ว่าไปทำอะไรก ก, ก, ก, ก, ก, กเกอรอ่อนแออย่นั้นเอาความขี้เกียจเอาความยากลําดับเขามีไปแล้วการนึ่งข้าวการหุงข้าวต้องทำให้มันเป็นจังหวะไปมันจึงจะได้ข้าวมอยกิน ไปมัวแต่ยุ่งแต่ยากไปมัวแต่ลำบากมันไม่ได้ข้าวเจนแล้วก็ได้ข้าวเจี๊นก็ได้ด้วยความยากลําบากทั้งๆที่ไม่จําเป็นหุงข้าวก็หุงข้าวสักนึ่งข้าวก็นึ่งข้าวสักอยาให้มันเป็นอันดึนไปมันลําดับไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปการปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปเอาลู่เอกเอาลู่เอกไปมันลงกับาลู่เอกไปสร้างลู่อยู่เรื่อยสร้างตัวลู่อยู่เรื่อยเอาไปมาตัวลู่ตัวลู่ตัวลู่ตัวลู่ จำได้จำนานใหญ่โตขึ้นมาเห็นอะไรต่างๆไม่มีที่หลบไม่มีที่บังมันไม่เหมือนกับสร้างความสงบนะการทําให้สงบไม่ได้เห็นอะไรดอกพอสงบอยู่ชั่วโมงสองชั่วโมงออกจกกความสงบมาแล้วก็ต้องรักษาต้องระวังต้องคอยต้องย่องต้องทําอะไรอยู่กิริยาที่ทํา ยังไม่เป็นสากลปฏิบัติธรรมนะต้องมีงานมีการ Willy! ทํางานให้มันสําเร็จม <month brewer es pour white> ีงานทําทํางานให้มันสําเร็จสําเร็จสําเร็จไปความหลงทำความหลงให้รู้สาเร็จไปแล้วความทุกข์ทำความทุกข์ให้รู้ว่าสําเร็จไปแล้วทุกเท่าไรรู้เท่านั้นหลงเท่าไรรู้เท่านั้นปัญหาอยู่ที่ไหนรู้เท่านั้นรู้เท่านั้นรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วะ หลายอย่างรู้แล้วรู้อันเก่าอันไหนอันไหนก็อันเก่าความโกรธก็อนเก่าความโลภก็อนเก่าความหลงก่อนเก่าสุขสุขทุกข์ทุกข์ก็อนเก่าลรารู้แล้วเราได้รู้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ก้าวแรกทีเดียวเป็นได้หลักได้ฐานเห็นรูปทำเห็นน้ำทำเห็นรูปทุกเห็นน้ำทุกเห็นรูปทำเห็นน้ำทำก็เอารูปเอาน้ำทำความดีเห็นรูปทุกน้ำทุกมันก็ ก็ช่วยรูปที่มันเป็นทุกข์ช่วยนามที่มันเป็นทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเห็น ร, รูปโลกตามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญญัตทิทั้งหลายทั้งหลายที่มันเป็นสมมุติบัญญัติมันคองมันติดมันทําให้หลงอยู่ตรงนั้นสมมุติบัญญัติที่เป็นรูปธรรมสมมุติบัญญัติที่เป็นนมามธรรมสมมุติบัญญัติที่เป็นนมามธรรม เกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งสําคัญมั่นหมายว่าดีว่าไม่ดีว่าชอบว่าไม่ชอบอันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคนนั้นฉันชอบคนนั้นฉันไม่ชอบสมมติบัญญัติทั้งนั้นอันนั้นวัตถุอันนั้นงามวัตถุอันนี้ขี้เละสัตว์ตัวนั้นงามสัตว์ตัวนี้ดีคํำพูดจากนั้นดีคํำพูดจากนี้ไม่ดีเอามาคล้องมาติดกับสมมุติบัญญัติ ให้สมมุติปัญญัตผูกมัดลัดลึงในเป็นนามปรธรรมที่เป็นรูปประธรรมหเห็นสมมุติลือถอนสมมุติเบาวิวอะบบนัเบาวิวเลยวัตถุอาการต่างๆในชีวิตกอเราก็กมีวัตถุมีอาการวัตถุภายในมีตามีหูมีจมูก ม, มีลิ้น มกายมีจิตวัตถุภายนอกไม่รูปไม่รสไม่กินมีเสียงดินฝ้าอากาศภูเขาป่าไมา้แผ่นดินดวงอาทิตย์ฝนตกลงมาลมหนาวแสงแดดอ้มันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่ใช่เราคนเดียวมันมีอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างเราเดินไปมันลื่นมันหกมันล่มโอ้มันมีอาวัตถุอาการที่เป็นสมบัติของโลกเปิดว่าผ่าเกิดลมเกิดฝนแรงเกิด น้ำท่วมโอ้มันเป็นวัตถุอาการทาั้งหลายทาั้งหลายิ่งเรานั่นเราเห็นไม่ออกมาเป็นทุกข์ถึเราเดินไปล้มหัวแตกโอ้เพราะมันมีวัตถุอาการมีเหตุมีปหตจใจเพราะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีมันเห็นธรรมเห็นปฏิจจสมุปบาทต่อเนื่องกันไป เห็นสมมุติเห็นวันหัติเห็นวัตถุอาการเห็นปรมัดปรมัดคือความจริงของโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงความหลงไม่จริงความไม่หลงเป็นของจริงอ่าปรมัดมันก็มีอยู่ขี่คอมันไปอยู่ปรมัดอ่าแต่ก่อนเราไปเห็นของจริงทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ไม่เห็นจริงสุขก็ยังเป็นสุข ทุก็ยังเป็นทุกเรียกว่าไม่เห็นของจริงมันก็เปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนความเป็นใหญ่อยู่ตอนนี้เราเห็นเราเราเป็นใหญ่แล้วมีสติอินทรีย์เป็นใหญ่แล้ว น, นะเรียกว่าลื้อถอนสมมุติบัญญัติวัตถุอาการปรมมนนะปรมมัดนะปรรมตัดสัจจะเห็นบุญเห็นกุศลมีกุศลเรากุศลสองอันเท่านั้น กุศลทางกายกุศลทางวาจากุศลทางกิจอกุศลทางกายกุศลทางวาจาอกุศลทางกิจคือบาปคือบุญความฉลาดความโง่ทางกายทางวาจาทางกิจผู้รู้แล้วก็กุศลทางกายแล้วกุศลทางวาจากุศลทางกิจต้องแสดงไปในต้องแสดงแสดงแล้วไม่พอต้องช่วยกันต้องมีเมตตากรุณาสร้างกุศลทางวาจาคนอูดเสียงใดเม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 อหลายๆอย่างทำความดีไปเรื่อยๆอะไรที่เป็นความดีทางกายอะไรที่เป็นความดีทางวาจาอะไรที่เป็นความดีทางกิตใจเอากายเอาใจเอาลูกเอานามมาทำความดีได้สําเร็จนะอ่าเสร็จสำเร็จ น, ะจนี่ชีวิตของเราต้องเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกเป็นปัจจุบัน มีชีวิตทำความดีมีชีวิตที่เป็นประโยชน์น้อยกปย็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์แชโลกประโยชน์แฉพระศาสนานัา่นปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเริ่มต้นจากการเจริญสติดูกายดูใจมันก็ไปได้มัน ก, ก็ก้าวแรกมันก็พาเราไปเราไปเราไปโูน่น้อยๆความโล่น้อยน้อยมัน ก, กับกำเนิดมันกับเมล็ดแห่งโพธิ เอาไปมากองงอกงามไปงอกงามแบบโพธิโพธิโพธิคิดชอบฉายาของเจ้าคุณพระราชโพธิจวัตปทัยพุทธคยาตั้งชื่อฉายาให้พระสงฆ์โพวดใหม่ลงไทยโดยโพธิโพธิสุวรรณโพธิอัตตวัตโนโพธิ